Thank you. ก็ความมีสังชัญญาเอาไว้ฝึกให้เคยคุ้นเวลาไม่ได้ทำอะไรอย่าปล่อยให้ร่าง่องล่องลอยลอยไปมันจะเปิดช่องให้เกิดตัวกูเพียงแค่แตะเอาไว้นะอย่าให้มันเผลอเหม่อไปทำจนวันข้างหน้าไม่ต้องทำ ถ้าสงสัยว่าโอ้โหต้องทำอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอมันจะมีวันที่ทำไปจนไม่ต้องทำไม่ต้องทำเพราะมันไม่หลงอีกวันนี้ที่เราแตะเอาไว้เพืกันหลงแค่นั้นแหละจนวันหนึ่งมันไม่หลงก็ไม่ต้องทำไม่มีทั้งแมวไม่มีทั้งหนู โยคทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ค่ะกราบเอาละก็เป็นคืนวันสุดท้ายเร็วจริงๆเมื่อวานคืนวันแรกไม่มีตรงกลางเลยคืนวันสุดท้ายแล้วเป็นคอร์สพื้นฐานที่สั้น แต่ไปไกลมากจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วไม่รู้จะเรียกคอสอะไรคือเป็นคอสผสมวันแรกพื้นฐานวันสุดท้ายเข้มเลยแสดงว่าพวกท่านนี่อินซีแก่มากแป๊บเดียวไปโลด วันนี้คอร์สที่ผมทำยากที่สุดเนี่ยคือคอร์สพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าเวลาทำคอร์สพื้นฐานเนี่ยลึกๆแล้วมันก็จะกลัวคนฟังไม่รู้เรื่องตอนที่กลัวคนฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละมันจะเกิด ความพยายามข้างในที่จะพูดให้มันง่ายมันยิ่งยากใช่พอพยายามที่จะพูดให้มันง่ายเนี่ยสำหรับคนพูดคือยากแต่ถ้าเป็นคอสเข้มคอสทีมงานคอสอะไรพวก น, นี้พูดให้ชีฟังเนี่ยคือมันพูดไปเลยผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนกับ มันเหมือนลดน้ำต้นไม้แล้วเอานิ้วบีบที่ปลายใส่ ย, ยางเวลาลดต้นไม้ต้นเล็กๆ เ, เนี่ยเพราะกันน้ํามันจะไปกระแทกต้นไม้ตายอย่างเงี้ยไอ้ตอนที่บีบนั่นน่ะบีบหัวมันเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันออกมาน้อ ย, อยต้นไม้จะได้พอดีพอดีเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยที่มันมาเค้นตัวท่อเองแต่ถ้าปล่อยไปเลยปล่อยมันพุ่งไปเลยมันจะไปทางไหนก็ไปเลย่เียมันก็ง่าย ตอนหลังๆก็เลยทํายากแล้วก็มันพูดคือพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะผมเปิดคอสอยุผู้ศูนหนึ่งเนี่ยเป็นคอสพื้นฐานแล้วก็คอสอยุผู้ศูนสองเนี่ยเป็นคอสเข้มสําหรับผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วก็มาเข้าคอรสรังเดียวอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีก็เปิดมาสิบปีแล้วเปิดมาสิปีแล้วยุคผู้ศูนหนึ่งที่บางแค จนล่าสุดที่เพิ่งเปิดจบไปพฤจิกานะที่อัดเทปเอาไว้อัดดีวีดีไวนะ้คือทั้งยูพุทธเองทั้งคนเข้าเองในสามวันแรกเนะี่ยแทบจะขอกลับบ้านหมดเลยฟังไม่รู้เรื่องคนที่เชิญผมไปเปิดคอร์สเนี่ยซึ่งก็สนิทกัน <c oughs> ก็กระซิบบอกผมบอก อาจารย์พื้นฐานฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดแต่กายกับใจฟังดูง่ายมากเลยกายกับใจอัดออกมานี่ไม่รู้เรื่องเลยคนไม่รู้เรื่องเลยผ ม, ผมก็เลยไปเปิดคอร์สพื้นฐานให้ตอนวันที่สี่ของการปฏิบัติหลังจากนั้นคนเริ่มเข้าใจก็วันที่ห้ากขาก จากนั้นผมก็เลยประกาศที่ยุพุธว่าผมจะไม่มาเปิดคอสพื้นฐานอีกแล้วนี่คือครั้งสุดท้ายผมถือว่าผมตอบบุญแทนคุณยุพุธมาครบสิบปีแล้วเหลือแค่ยุพุธศนย์สองผมบีบหัวก๊อกน้ำไม่ไหวอีกแล้วผมเป็นวิทยากรที<ส> <|hi|> ่บรรยายที่ยุพุธ ยูพุทพอหลังจากจบคอร์สสมมุติเราพรุ่งนี้จบคอร์สก็จะมีกระดาษให้ประเมินผลประเมินผลยูพุทธประเมินผลการเข้าของตัวเองประเมินผลว่าวิทยากรเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็จริงๆก็ไม่รู้ประเมินทําไมนะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้แปลว่าธรรมะไม่ดีต้องประเมินตัวเองไม่ประเมินวิทยากรแต่เอาเธอเขาประเมินของเขาอย่างไรเป็นเรื่องของเขาองค์กรของเขา อาจารย์ประเสริฐติดแร็งกิ้งอันดับหนึ่งของยุวพุทธที่มีผู้เข้าปฏิบัติใส่คำว่าดีมากกับดีมากที่สุด 95% มาตลอดแต่ล่าสุดผมว่าเ е й ติงน่าจะตกผมไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรเนี่ยคอสพื้นฐานถ้าไม่มีแต่นิพานเนี่ย ดิพานตั้งแต่วันแรกเลยก็อย่างเนี้ยคล้ายๆท่านฟังเนี้ยแต่ผมว่าท่านรู้เรื่องนะเป็นคอสที่ผู้คนเริ่มกระสับกระสายตั้งแต่สองวันสองสาวันแรกเลยผมก็เห็นแล้วแต่เพอเอิญว่าทีมงานเนี่ยให้วิดีโอมาอัดซึ่งจะเป็นการอัดครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็จะไม่การใจผมเนี่ยจะไม่มีการทําคลิปวิดีโอที่ไปตั้งเผยแผ่อีกแล้วพอละ ทำมาเยอะมากแล้วมันจ้างมาแล้วเข้ามากันแล้วทีมก็ต่างถ่ายทํากันแล้วก็ต้องพูดนะจะพูดพื้นฐานมันก็มีแล้วโตวขึ้นหนืจะเป็นเบนสะ์นะก็เลยจําเป็นต้องพูดสิ่งที่จะพูดเข้าไปคนฟังก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้จะลงมาอธิบายก็ไม่ได้เพราะของมันต้องใส่เข้าไปในในวิดีโอนะก็เลยก็เลยได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็เลยพอดีกว่านะ ก็ประกาศล้างมื อ, อยุคพูทธศักราหนึ่งไม่มีการเปิดคอสพื้นฐานอีกแล้วทีนี้พอเราประกาศเลิกยุคพูทธศักราหนึ่งเขาก็เลยจะขอไปเพิ่มยุคพุ้ธศักราสองนะไอะ้เราก็จะลดอย่างเดียวเขาก็จะเพิ่มอย่างเดียวนะก็อยู่ระหว่างเจราจากันเราก็ยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ่งก็เป็นเรื่องมันก็เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ แม้จะอยู่เหมือนแค่วันสองวันคนที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติมักจะบอกว่าถึงจะไม่เคยเจออาจารย์หรือเคยดูแต่ youtube เนี่ยเวลามาเจอเนี่ยนั่งคือก็ผมบรรยายทำเนี่ยมันเหมือนผมนั่งจับเข่านั่งคุยกับคุณสองคนคนที่นั่งฟังผมบรรยายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนอาจารย์บรรยายให้คนทั้งหมดฟังแต่มันเหมือนอาจารย์กําลังบรรยายให้ตัวเขาฟังมันเหมือนนั่งจับเขาคุยกัน่ ทำไมถึงได้พูดเรื่องในใจของเขาออกมาหมดทำไมถึงสงสัยอะไรถึงได้ตอบหมดสงสัยตั้งแต่ก่อนมาอะไรทำไมใน้ขาถึงตอไปหมดคือมันเหมือนนั่งจับข่าคุยกันนะแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็นั่งคุยกันนะั่นแหละหลังๆนี่มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่รู้เรื่องแนหะพวกท่านอ่ะอีกสักพักทาก่านก็นรู้เรื่องหมด พอรู้เรื่องมันก็จะเข้าใจเองและแล้วมันเดี๋ยวมันก็เข้าไปถึงใจนะอย่างคนที่มาเห็นเข้ามาหาผมเยอะๆเนี่ยนะดูสนิทสนมนะไม่เคยเจอกันนะพวกเขานั่งดูยูทูปมาถึงอาจารย์คือแบบคือเขาดูสักวันถูกไหมการที่เขาดูทุกวันเขาจะสนิทกับผม <laughs> เขา จ, จริงไหมล่ะ อ, ะอะ่ท่านที่ดู u ูท b e แล้วมาเนี่ยคือเขาดูเขามานี้ชาญเข้ามาโอ้โห ฮิวนู่นฮิวดีกันมาแบบมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมาจากพัทยาบ้างมาจากต่างจังหวัดโอยถ้าจะเป็นไงอะสบายดีเหออะไรเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าขอถ่ายรูปก่อนโอ้ยนี่เจออาจารย์ทุกวันเลยนั่งฟังทุกวันคือพูดคําผมตลอดนะนั่งคุยกับผมแต่พูดคําของผมทั้งหมดเลยทั้งสี่สี่คนอีกกลุ่มหรือเป็นของหมอของอะไรที่มากันโอ้ย ชืนใจปีติฟังตลอดส้มเดเดี๋ยวนี้หนังหนังไม่ดูแล้วตั้งดูกันแต่อาจารย์ทั้งบ้านเลยนะดูกันทั้งวันทั้งบ้านมากระเนี่ยมาหลงไปอยู่ผู้สูสองโทรกลับมาหาเบียเนี่ยตัาตัลงอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ที่สวนธรรมหลงหลงจนผิดที่เนี่ยหือสติเป็นเลิศกันทั้งนั้นจะมาหาผมจากพัทยาแต่ไปสูงสองเอ้าก็บอกตั้งใจจะมาสวนธรรมศรีปฐุมไม่ได้มเล็้ยวไปสูงสอง ทำไมอาจารย์ไม่มาเปิดคอร์ดแล้วก็จะไม่ถึงวันยังไม่ถึงวันเปิดอยู่ที่นี่มาถึงก็โอ้คนของมาเต็มหมดนั่งคุยสนิทสนมจริงๆบอกขอถ่ายรูปหน่อยเห็นแต่ในจอเนี่ยอยากจะมากราบตัวเป็นๆ น, นี่แหละยังคุย น, นั่งหูถามใหญ่ก็มีความสุขขึ้นไปนะคนพ้นทุกจริงๆขอบคุณอาจารย์มาก ไปเดินอยู่ตรงไหนตรงไหนก็มีแต่คนเดินเข้ามาทักทายนะก็เพราะปกติเวลาถ้าผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมไม่พูดธรรมะอยู่แล้วก็แต่ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จะพูดทำอะไรนะเจอหน้าผมก็คำหนึ่งที่ห้ามพูดกับผมเลยนะท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกจานจำหนูได้เปล่า <c oughs> ไอ้คำนี้นี่ผมถือว่าหยาบคายมากเลยนะ <c oughs> เพราะมันทำให้ผมอึดอัดมากเลย <c oughs> คือมันไปทางคำตอบไม่รู้จะไปทางไหนเขา้าใจไมถ้าท่านเป็นผมเนี่ย จะไม่ได้มันเหี่ยวเลยนะคนเนี่ยถ้าบอกจําได้มันก็พูดไม่ได้มันโกหกก็ต้องอ๋อเข้าคอร์ดไหนล่ะเออมัวอนะม่วไปก่อนนะมั่วเขาพอจะมีบันไดก็ยืนบ้างนะทีหลังที่จะถามผมอย่างนี้ให้บอกมาเลยว่าอาจารย์หนูเคยไปเข้าคอร์ดอาจารย์เมื่อวันที่เท่านี้นที่นั้นผมก็จะได้อ๋อไปอย่างนั้นล่ะนะคือ จะไปจำใครได้มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนอกจากเดินไปทักกันบ้างข้างนอกนิดนิดหน่อยๆอออาจารย์เป็นไงอะ่ะโอ้โหสบายดีเป็นไงกันล่ะอย่างกับสนิทกันมานานอย่างเงี้ยนะก็ท่านคุ้นเคยกับผมอยู่แล้วท่านเปิดบางคนก็บอกมาฟังธรรมเนี่ยได้ยินผมเสียงแหบเนี่ยไม่แปลกใจอาจารย์เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูเปิดอาจารย์จนหลับเยแล้วหนูหลับมาตื่นตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ก็ยังพูดอยู่เลย อาจารย์พูดตลอดเลยอะ่ะก็ไม่แปลกลนะที่อาจารย์จะเสียงแหบเสียงแห้งบ้างแต่หนูต้องขอโทษเพาะหนูลืมปิดหนูหลับไปก่อนเออก็เถียงปิดมันแสบคอ <c oughs> ก็มั่วกันไป่ะนะนะขเขามาอย่างนี้ก็ไปอย่างนั้นนะละแล้วบางคอสเี่มานั่งเนี่ยเข้ามาแนะนําตัวกันเป็นแถวเลยหนูมาจากยูทูบหนูโหย้ยคอสนี้น่าจะประกาศไปเลยว่าทุกคนมาจากยูกันหมดเลยนะ ที่มาเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฟังมาแล้วทั้งนั้นอ๋อผมไม่บอกล้ <c oughs> จะได้เปลี่ยนเรื่องพูดเพูดได้หลายเรื่องนะไม่ได้พูดได้เรื่องเดียวเพราะบางที่มาคอร์สพื้นฐานเนี่ยตัวขึ้นหนูจะเป็นเบนส์ถามว่าใครเคยมาเข้าคอร์สยกกันบ้างอีกครึ่งไม่ได้ยกเพราะเขาไม่ได้มาเนี่ยแต่เขาดู y o ยูทูบพอบรรยายไปก็รู้แล้วทั้งนั้นได้ยินมาแล้วทั้งนั้นอ๋อผมไม่บอกจะได้เปลี่ยนเรื่องปล่อยให้พูดซ้ําอยู่ได้ นี่มาถึงแล้วตอนนี้ฟังอะไรกันอยู่ล่ะก็ฟังไหนของที่คว่ําเหรอแล้วฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยะแต่ก็กําลังจะรู้เรื่องแล้เนี่ยฟังทุกวันทุกวันทุกวันกำลังจะรู้เรื่องและวอืมดีฟังไว้แล้นะฟังแล้วต่อไปเมื่จะเห็นข้างในเองนหละอย่าลืมระกิเลสด้วยล่ะแต่ฟังฟังฟังไปก็กินขนมไปฟังไปก็อะไรไปนะไอ้ยางโห้ยกูรู้แล้วกูรู้ถ้าอย่างนั้นกูรู้แล้วนะ อยาันไม่ได้รู้อะไรแล้วมันก็เป็นเหมือนกับชาวมคกานุกานะผู้เดินตามมารกหลวงพ่อเอี้ยนเคยบอกว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็เปรียบเสมือนพ่อพระธรรมก็เปรียบเสมือนแม่พระสงฆ์ก็เปรียบเสมือนพี่ซึ่งเป็นครอบครัว ก็นำทางคอยบอกทางทั้งหมดนะ่ยจะพ่อก็บอกทางจะแม่ก็บอกทางจะพี่ก็ช่วยนำทางอยู่กันเป็นครอบครัวศาสนาอยู่ไม่ได้ถึงสองพันหะร้อปีเนี่ยเพราะมันมีการสืบทอดแล้วก็สืบต่อกันลงมามีการต่อเทียนกันลงมาเรื่อยๆคนบางคน นะเส ม, มอครูบาอาจารย์ท่านพูดเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก่อนหน้านี้ฟังท่านพุทธทาสก็ไม่รู้เรื่องอ่านสามหน้าก็หลับแล้วคือมันไม่รู้เรื่องจริงๆแต่พอมาเข้าคอเข้าไปสักพักหนึ่งลองกลับไปฟังเนี่ยอ้าวเนี่ยเนยเปิดให้ฟังมาสักคู่เนี่ยถ้าลองให้นั่งฟังเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอแต่พอนั่งอธิบายให้ฟังก่อนแล้ววันหน้าลองไปฟังไม่ว่าจะคู่มือมนุษย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจกันขึ้นมา เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจออาตัวกูของกูมาก่อนก็ได้ยินไปอย่างนั้นตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาอถึงแม่จะเป็นคอร์สพื้นฐานก็ตามแต่จริงๆในคอร์สนี้เราก็ไปกันเยอะผมจะลองเปิดดีวดีที่เขาพูดถึงเป็นดีวดีถึงแม้จะยังไม่ใช่ชุดสุดท้ายทีเดียวให้ลองฟัง หลายคนที่ส่วนใหญ่มาเข้าคอสก็อาจจะยังไม่เคยได้ฟังไ ด, ดได้ดูได้ซักอลองดูสักตอนสั้นๆของไหนของที่ค ว, <üst> ว่ำนนการเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความเข้าใจหรือว่าจุดมุ่งหมายด้วยการปฏิบัติของเรา ัเป็นสัมมาทิฏฐิแค่ไหนหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเพราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีเขตต้อนรับสู่สถานภาวนาพอนะครับในหลักสูตรมังคานุคาเข้มหลักสูตรนี้นะก็เป็นหลักสูตรเข้มนะครับพวกเรา ที่มารวมกันปีละครั้งที่สถานพ่วนาพอส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติมามามากแล้วแล้วก็ฟังทามาก็มากแล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็จะเน้นที่การปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่การบรรยายในแต่ละวันก็จะมีแทกเช้าบ่ายเย็นเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ แต่ละคนก็ปฏิบัติภาวนาเอาทั้งในส่วนในรูปแบบก็คือการเดินชมพมนั่งสมาธิแล้วก็นอกรูปแบบก็คือการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะเดินเหินหยิบจับอาบน้ำดื่มน้ำอะไรก็ฝึกที่จะมีสัมผชัญญะนะมีสติให้บ่อยให้มากเพราะฉะนั้นการบรรยาย ก็คงจะมุ่งไปที่การเสริมนะเสริมให้เข้าใจในคำที่ผู้เจ้าตัดไว้อย่างนี้เราเอามาปฏิบัติได้ยังไงนะอย่างท่านบอกว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะเราก็ท่องมาเวทนาไม่ใช่ตัวตน แล้วก็คิดเอาว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนยังไงนะเราก็แล้วแต่ใครจะคิดแบบไหนแต่พอนั่งแล้วปวดขาปวดแข้งปวดเลิกเกินปวดปวดทนไม่ไหวแล้วโอ้ทำไมปวดอย่างนี้นะแล้วก็อดไม่ไหวอยากเปลี่ยนท่าอยากจะออกจากสมาธิไหนละเวทนาไม่ใช่ตัวตนอยู่ไหนเห็นไหมเราเอาเข้ามาใช่จริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวใจหลักคือ มันต้องปฏิบัติจริงๆแล้วก็พอเจอปัญหาหรือเจอข้อธรรมนั้นๆแล้วดึงตรงไหนมาใช้ยังไงแล้วจะเห็นความจริงนั้นยังไงนะหรือปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงขึ้นมาเอง <c oughs> อันนั้นแหละคือสาระสําคัญของในหลักสูตรเข้มที่เน้นในการปฏิบัติ การเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าความเข้าใจหรือว่าจุดมุ่งหมายหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิแค่ไหนหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเพราะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีผมคงไม่ พูดเรื่องว่าเพราะได้บุญได้อะไรล่ะพวกท่านที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยล้วนเข้าใจแล้วก็ผ่านสมาธิในขั้นนั้นกันมาเยอะแล้วคนะงไม่มีใครมานั่งทำเอาบุญแบบที่ชาวโลกเขาบอกโอ้ได้บุญเยอะสินะก็คงไม่ได้มาเอาเรื่องนั้นมาทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ไปจริงๆที่ยังมีอยูนะ่เพราะฉะนั้นเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยกัน ตุ๊กตาตัวนี้หุ่นมือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในโลกเลยในโลกมันเริ่มต้นมาจากกายกับใจถ้าจะเอาลึกลงไปก็คือรูปกับน้ำํำเอาละ่ะทีนี้เราลองมาดูถ้าผมให้หุ่นมือตัวเนี้เป็นกาย อันนี้เป็นใจถ้ามีแต่กายอย่างเดียวก็เรียกมันว่าศพแต่พอเข้าคู่กันนะก็มีชีวิตขึ้นมานะสองอย่างเข้ามารวมกันอย่างเงี้ยกายกับใจหรือรูปกับนามก็เป็นชีวิตขึ้นมานะแต่จริงๆจะพูดว่ารูปกับนามก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเอาเป็นว่ากายกับใจนี่แหละเป็นชีวิตขึ้นมา กายกับจิตได้ไหมกายกับจิตก็ได้เพราะว่าจิตมโนวิญญาณผู้เจ้าบอกแล้วว่าเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันก็คือเป็นคําใช้แทนกันได้เลยนะเป็นคําใช้แทนกันได้เลยจิตมโนวิญญาณนะจิตมโนนะมโนกระจายส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณอใช้แทนกันได้เลยเมื่อปฏิบัติไปก็จะเห็นความจริงไปเรื่อยๆทําไมพระองค์ถึงบอกว่าใช้แทนกันได้ แต่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยศึกษาเคยได้เอเห็นของเราเองเอ๊จิตมันอย่างนี้นี่ใจมันอย่างนี้นี่นะวิญญาณมันอย่างนี้นี่ทําไมจะบอกว่าใช้แทนกันได้เลยนะเอ่า่าะนะเชื่อเถิดพระศ า, าสดาไม่มีตรัสผิดอ่ะถ้าจะผิดก็คงผิดที่เราแล้ว่ะนะปฏิบัติไปให้มากประเดี๋ยไปให้มากเห็นให้จริงก็แล้วกันอย่าเห็นแบบฟังเอาคิดเอาเคยได้ยินว่า อย่าปฏิบแบบนั้นเพราะมุมมองที่ครูบาอาจารย์ผู้ตามนั้นเนี่ยท่านก็พูดตามนั้นมันเหมือนช้างตัวหนึ่งมันเหมือนช้างตัวหนึ่งที่ให้คนหกคนไปจับช้างตัวหนึ่งคนตาบอดหกคนไปจับช้างตัวหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าช้างลักษณะเป็นยังไงบางก็บอกว่าช้างเป็นตัวกลมๆคล้ายๆลํลำกล้วยนะบางก็บอกว่า ช้างเนี่ยตัวผอมๆคล้ายๆงูแต่ว่าต่างกันตรงมีขนเป็นพวตงตรงปลายหางของงูเนี่ยไม่อีกคนผมไม่ใช่ช้างแหลมๆพิษขนแข็งปกกระเพราะฉะนั้นหกคนที่ไปจับก็พูดแตกต่างกันหมดแต่จริงๆก็ช้างตัวเดียวกันะถ้าให้เดินไปจับใหม่เปลี่ยนทิศทางใหม่เขาจะพูดอีกแบบหนึง่ง เพราะฉะนั้นในบางขณะเห็นอะไรเข้าใจอะไรก็อย่างนั้นแหละก็ไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดอะไรนทีนี้คนฟังที่เป็นประเภทเป็นประเภทฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเนี่ยพอฟังองค์นั้นพูดอย่างนี้ทำไมองค์นี้พูดไม่เห็นเหมือนกันก็ท่านกําลังพูดเรื่องงาอีกองค์กําลังพูดเรื่องหามอยู่จะให้เหมือนกันยังไงล่ะทีนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามจะ น่กว่าตัวเองเป็นพ่อหูสูรขึ้นมาเจียวนะถ้าครูบาอาจารย์เปลี่ยนไปพูดอีกมุมนึงอีกองเปลี่ยนไปพูดอีกมุมเดี๋ยวก็ค่อยๆพูดจนกระทั่งเห็นเป็นลูกช้างขึ้นมาเอาละทีนี้กลับมาที่ตุกตาหุ่นมือหลังจากนั้นทาไมล่ะในเมื่อนี่คือกายกับใจเข้ามารวมกันมีชีวิตแต่ปัญหาในวันนี้ มนุษย์ทุกคนในโลกเจ็ดพันกว่าล้านคนไม่ได้รู้สึกว่านี่คือกายกับใจนะเขารู้สึกว่านี่เป็นเรานี่คือเราความรู้สึกเป็นเราถูกก่อขึ้นมาจากกายกับใจที่เข้ามารวมกันเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเราแบบนี้มีคน มีคนนินทาเสียงมากระทบปั้งเราไม่ชอบคนนี้เลยนะเราเกิดนะเดินเดินไปเห็นอาหารอ้โหฉันอยากกินไอ้นี่จังนะเราเกิดขึ้นมาความรู้สึกเป็นเราก่อตัวขึ้นมาทาั้งๆที่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเราตลอดเวลาเพราะเราเนี่ย มันปิดบังทั้งหมดเอาไว้พอมาปฏิบัติธรรมนะเฮ้่มันไม่ใช่เรานี่มันเป็นกายกับใจมันเป็นขันธ์ห้าโอ้นั้นเราก็พามาขันธ์ห้าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมทีนเราอยู่ข้างนอกแล้วเราอยู่ข้างนอกแล้วก็ขันธ์ห้าเป็นของเราเนาะขันธ์ห้าเป็นของเราแล้วนะเนี่ยพาขันธ์ห้ามานั่งกันอยู่เนี่ยนะ เก็ผมเห็นเวลาคนเขาพูดจะให้ศัท์มันฟังดูดีหรือว่าให้มันถูกตรงอะไรเนี้ยนะอะไรก็พวกเราก็ได้พารูปน้ําขันห้ามาปฏิบัติธรรมกันนะอะนมรรคทายกตามวัดก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสภาวะธรรมสูงฮะ เ, เห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นน้ำเป็นขันห้าหมดแล้วฮเราก็เลยพาขันห้ามาปฏิบัติธรรมถ้าผมจะถามมคทายกว่า ขันห้าของท่านมีปัญหาเหรอท่านถึงต้องพามาปฏิบัติธรรมใช่ขันห้าเป็นตัวทุกข์ผมว่าขันห้ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนะไอคนทุกข์มันไม่ใช่ขันห้าหรอกมันคือคนที่ไปเอาขันห้ามาว่ากูนี่แหละที่มันทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเข้าใจเอ๊แล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะมันยังไงกันแน่ทีแรกว่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะ ทีแรกว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าไอสองอันเนี้ยกายกับใจเนี้ยคือเราเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาปฏิบัติธรรมก็ว่าขันห้าเนี่ยกายใจเนี้ยเป็นของเราทั้งนั้นนะเราเนี่ยพาขันห้ามาปฏิบัติธรรมแสดงว่าขันห้าเป็นของเราแล้วใช่ไหมทีเนี้ยถูกไหมถูกมีเราโดดอยู่คนหนึ่งแล้วก็พาเข้ามาเนี่ยแล้วก็มานั่งหลับตาปวดขาก็โอ้ยปวดจัง ไม่รู้ใครปวดนะก็เราปวดไงเอ้าวแล้วไม่มีเราเอ้าไม่มีเราแล้วใครปวดหรออะไรอย่างเงี้ยก็งงอยู่ตรงเนี้ยนะปฏิบัติไปเห็นมแต่คําถามเนี้ยงงไปงงมาเอาล่ะแล้วทีนี้มาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไระสมมติว่าอย่างนี้ ผมก็พยายามทำให้มันคล้ายที่สุดแล้ ว, ลวนะมาปฏิบัติธรรมเพื่อสมมุติว่าไฟเนี่ยมันก่อความรู้สึกเป็นเราขึ้นมายึดถือทุกอย่างก่อความรู้สึกเป็นเราถ้าเราสามารถดับไฟนี้ได้ขันท่าก็เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งขันท่าเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วสมมุติเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเพราะอะไร เพราะอาหารที่กินเข้าไปเพราะสิ่งแวดลอ้อมเพราะความเครียดเพราะอสารพัดจะเพราะส่งผลให้กายเนี่ยก่อให้เกิดเซลล์ผิดเกิดให้ก่อก่อให้ก่อโทษก่อให้เกิดเป็นมะเร็งจากนั้นเพราะว่ามันมีไฟเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราเนี่ยกายเนี่ยก็เลยเกิดผู้ทุกข์อยู่ที่แสงไฟเนี่ยเกิดผู้ทุกข์อยู่ที่แสงไฟเนี่ย ถ้ามันไม่มีผู้ทุกข์ถ้ามไม่มีผู้ยึดถือขันห้าเนี่ยมันเร็งก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจะบอกว่ามาจากอาหารจะมาจากสิ่งแวดล้อมจะมาจากความรู้สึกที่ความเครียดอะไรก็แล้วแต่หรือจะเอามารวมกันทุ ก, ทกเหตุเลยก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่มันจะไม่มีผู้ทุกข์แสดงว่าผู้ทุกข์อยู่ที่แสงไฟนี่เองเหรอ ก็ร ข, ขันห้าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นนะเกิดตามเหตุปัจจัยแสดงว่าแสงไฟนี่คือผู้ทุกข์เหรอเพราะนการดับแสงไฟลงได้ตุกาตาตัวนี้ก็จะเป็นอิสระซึ่งในความเป็นจริงตุกตาตัวนี้อิสระอยู่แล้วแค่มีใครสักคนหนึ่งไปตู่ว่ามันเป็นของ กูก็คือแสงไฟซึ่งไม่มีอยู่จริงด้วยขันห้ามาจากเหตุปัจจัยรู ป, ปูปาทานขันโทเนี่ยที่เร า, มาเมื่อตอนเช้าเราสวดกันเนี่ยรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจังอนัตตาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอนิจจังอนัตตาทั้งนั้นเลยที่ท่านสวดมาถูกไหมทั้งนั้นเลยแสดงว่ามีว่างจากตัวตนอยู่แล้ว แล้วคนยึดถือเรามีตัวตนหรอไม่คนยึดถือก็ว่างจากตัวตนแล้วตกลงใครเป็นเจ้าของขันห้าจริงๆไม่มีแล้วใครเป็นผู้มีอุปท า, านกับขันห้าไม่มีแล้วใครละทีนี้ไม่มีไม่มีใครแล้วใครที่บอก ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ก็คือแสงไฟแล้วใครใครทำให้เกิดแสงไฟเหตุปัจจัยสรุปแล้วคือมีแต่สภาพทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลนี้ว่างจากตัวตนหมดเอาละวันนี้ถ้าจะพูดขนาดนี้ก็อาจจะพางงะ หรือวันไหนพูดก็พางงหมดะนะเพราะมันเกินดำริตริกละเอาเป็นว่าเราต้องที่ผมเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนคือทุกคนที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมที่ว่าปฏิบัติมายาวนานเนี่ยขอให้เข้าใจจุดหมายบ้างปลายทางบ้างอย่างน้อยที่สุดเรารู้แล้วว่าทุกไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วท่านออกไปยืนมีลมพัดมาลมพัดไปโอ้สบายจริงแดดร้อนทำให้อากาศร้อนอบอ้าวข้างนอกโอ้ไม่ชอบเลยแดดก็เป็นธรรมชาติลมก็เป็นธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติของมันมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นไปอย่างนี้ แต่พอมันก่อความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นโอ้ร้อนจังเลยความร้อนที่เกิดคนคนนึงไม่ชอบก็คือเอกคนคนนั้นมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันก็รู้สึกไม่ชอบขึ้นมาแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้รู้สึกไม่ชอบอีกคนนึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ เ, เป็นก็ก็ก็อย่างนั้นแหะเขาจะมีคนทุกข์มีอะไรขึ้นมาไหมไม่มีเหตุสภาพสรรพสิ่งที่ทุกคนเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แม้แต่ผู้เห็นผู้รู้ทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติทุกคนเป็นธรรมชาติกันหมดเราไปอยู่ๆเราไป ก, ก่อความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาด้วยความไม่รู้นั่นเองจึงเป็นที่มาของทุกทั้งหมดนะจนเป็นที่มาของทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมเนะี่ยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เป็นจุดเริ่มตน้นแสงไฟถูกก่อขึ้นมาด้วยความไม่รู้ แสงไฟนะถูกก่อด้วยความไม่รู้แสงไฟไม่ได้มาจากเจ้าของแสงไฟแต่แสงไฟถูกก่อขึ้นมาครั้งแรกจากความไม่รู้ความไม่รู้ที่ตั้งถูกเรียกกันว่า อ, อวิชชานะะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะไม่อย่างนั้นอวิชชาจะกลายเป็นตัวก้อนขยึดขยืดที่คล้ายคเอเลี่ยนขึ้นมามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่มาทำให้เราเนี่ยหลงผิดมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาทำให้สัตว์โลกหรือผู้คนเด้เห็นผิดถ้าผมบอกว่าสัตว์โลกที่มันเกาอขึ้นมาเนี่ยมันไปมีความเห็นผิดเพราะมันไม่รู้เนี่ยแล้วใครไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้ด้วยองค์ประกอบกระบวนการที่เข้ามาเกาอก ร, รวมกันเนี่ย มันก่อให้เกิดก็เพราะมันไม่รู้มันถึงไปก่อขึ้นมาโดยไม่มีรากฐานหรือพื้นฐานของความจริงเลยอัตราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาลมๆแล้แงๆโดยไม่มีพื้นฐานรองรับว่ามีอะไรเป็นเจ้าของหรือเป็นคนสร้างกันขึ้นมาตรงๆเลยมันเหลวไหลเหลวคว้างแบบสิ้นเชิงเลยแต่มนุษย์ทั้งหมดยึดมั่นถือมั่นจนมองอะไรไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติ เพื่อให้พ้นทุกข์มันเลยต้องอาศัยความมุ่งมั่นจริงๆเนื่องจากการก่อขึ้นมาเนี่ยมันเหลียวแน่นยาวนานแล้วเป็นกันทั้งหมดเราเกิดขึ้นมาตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรสิ่งแวดล้อมก็ค่อยๆสอนพ่อแม่ก็ค่อยสอนเพื่อนญาติที่ทำงาน ล้วนก่อร่างสร้างความมีตัวตนขึ้นมาให้เราได้ยินตลอดเวลาเราก็จึงก่อตัวตนขึ้นมาก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาจนมันแข็งแรงมากๆพอมันแข็งแรงมากๆก็ยากละ่ะที่จะจัดการกับมันได้ง่ายๆเชื้อของมันที่ทำให้เกิดก่อก่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือโลภะโทสะโมหะ โลกโปรดลงนั่นแหละคือเชื้อที่ทำให้มันก่อความเห็นผิดเนี่ยขึ้นมาจนได้ดังนั้นมีอยู่ทางเดียวพูะเจ้า ก, ก็เห็นล่ะจะออกจากความเห็นผิดนี้ได้จะออกจากการยึดถือนี้ได้ก็ด้วยอริยมรรคใองแปด เร่ไหมคือถ้าให้พูดอย่างเนี้ยค่อยง่ายหน่อยคือไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้เรื่องแต่มีคนรู้เรื่องมีคนรู้เรื่องถ้าฟังต่อไปเรื่อยๆก็จะมีคนรู้เรื่องไปเรื่อยๆมีคนที่รู้เรื่อง เพียงแต่เขาก็กําลังเดินทางเพื่อเข้าไปถึงจุดนี้ท่านนั้นเองพอกําลังเดินทางก็จะเริ่มรู้เรื่องเพราะพูดสิ่งที่เขาเห็นจากข้างในก็อาจจะเห็นไม่หมดแต่ก็ฟังไปถ้าไม่มีคนพูดทิ้งไว้บ้างพูดแต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมพูดแต่เรื่องสติแล้ววันหนึ่งก็ไม่รู้วันไหนจะพูดไม่ได้วันไหนมันจะตายไปวันไหนจะอะไรอย่างน้อยก็มีอย่าค้างอยู่ใน u ูทูบบ้างก็ยังดี ใครจะว่าไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่หลวงพ่อสิงห์ทองที่ดูแลท่านพุทธทาสก็ตอนนี้ก็นิมนต์ท่านมาที่เกาะพะลวยบ่อยๆใครไปเข้าเกาะพะลวยก็อาจจะเจอหลวงพ่อสิงห์ทองซึ่งท่านดูแลท่านพุทธทาสตลอดยี่สิบกว่าปีก็ได้ฟังเรื่องราว ในสมัยที่ท่านพุทธทาสยังอยู่จากท่านสิงห์ทองบ่อยเพราะท่านอยู่กันตลอดเวลาอยู่ดูแลปณบัติวัฏะ ต, ตลอดเวลาจนถึงลมหายใจสุดท้ายของท่านพุทธทาสจนถึงวันสุดท้ายว่าท่านทําอะไรท่านสิงห์ทองก็เล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆพวกเราก็ชอบฟังชอบฟังเรื่องเป็นยังไงบ้างก็ชอบถามตอนท่านพุทธทาสอยู่ท่านทําอะไรบ้างอยากรู้ไปหมดอยากรู้หมด ธรรมะก็าหาฟังได้ง่ายแต่เรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อยากได้ยินจากคนใกล้ชิดนี่แหละตอนท่านอยู่เป็นยังไงทําอะไรหลวงพ่อสิงห์ทองก็ <Okay. S 1> เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านพุทธทาสพูดธรรมะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแล้วตอนนั้นมีคนเข้าใจเหรอไม่มีคนเข้าใจเหมือนกัน แล้วท่านพูดไว้พูดให้ใครฟังเวลาอัดเนี่ยเทปเทปไว้เนี่ยพระใหม่บ้างพระอะไรบ้างโอ้พระใหม่จะฟังรู้เรื่องเหรอธรรมะขนาดนี้ไม่รู้เรื่องแต่ท่านพูดไม่หยุดท่านไม่ได้พูดให้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านฟังแต่ท่านพูดทิ้งเอาไว้ในโลกแล้วท่านก็บอกว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะมีคนเข้าใจท่านพูดแค่เนี่ย ท่านพูดเรื่องความว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านคือว่างทั้งสาราเลยคือแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆมันก็ลงไปอยู่ในเทปคือว่างทั้งสาราเลยทั้งสาราไม่มีคนฟังท่านรู้เรื่องเลยแล้วในที่สุดก็ว่างไปเลยแต่ท่านก็พูดอย่างที่เราได้ยินจนวันนี้ท่านก็บอกว่าอีกยี่สิปีข้างหน้าจะมีคนเข้าใจ แล้วจนวันหนึ่งท่านสิงห์ทองมาได้ยินผมบรรยายเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาท่านจึงบอกว่าต้องเจอคนนี้ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยนึกในใจมาตลอดว่าทำไมถึงไม่มีใครขึ้นมาเป็นตัวแทนท่านอาจารย์พุทธทาสบ้างเลย ไม่มีสายที่จะสืบทอดได้เลยเลยจนท่านได้ยินการบรรยายท่านก็เลยมาพบแล้วก็นั่งคุยกันจนถึงตีสามแค่ฟังก็เหนื่อยเห็นผมบรรยายงีนะ้แล้วนั่งคุยมีคนมาคุยไม่หยุดนี่ก็เหนื่อยนะท่านนั่งคุยกับผมถึงตีสามจนผมต้องถามว่าหลวงพ่อไม่เหนื่อยเหรอหลวงพ่อไม่เหนื่อยแล้ ว, ลลวคุยกันได้ถึงสว่างเลยโอ้โหหลวงพ่อ แต่ผมด้วยจังเลยฮะขุน ห, หลวงพ่อท่านแก่งจริงๆคือแข่งจริงๆอินทรีย์ก็แข่งร่างกายก็แก่งคือเดินทุ ด, ดงอยู่สวนโมกท่านอาจารย์พุทธทาสจากไปแล้วเนี่ยตอนท่านอยู่ก็ไม่ได้ถามธรรมบ้าไม่ได้ปฏิบัติอลไรมั่แต่ปนิบัติไม่ได้ปฏิบัติตตตท่านบอกไม่ได้ปฏิบัติเลยนะคือพระเขาสวดมนต์กันเนี่ยแต่ท่านเนี่ยไม่เคยทิ้งท่านพุทธทาสเลย อยู่ดูแลปฏิบัติวัดจัดเตรียมอาหารจนกระทั่งถึงตอนค่ำก็นวดตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มจนไฟส่วนโมกดับท่านพุทธทาสหลับหลับคามือที่นวดแล้วถึงจะไปนอนเช้ามาก็ต้องมารอก่อนก่อนที่ท่านจะตื่นแล้วก็มาดูแลทําอยู่อย่างนี้ตลอด2ี่ปีจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านจากไปพอท่านจากไปแล้วเศร้ามากเลยท่านพูดเองท่านพวกผมว่าตอนที่ท่านพุทธทาสจากไป สิ้นไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเหมือนหมาไม่มีเจ้าของคือมันทุกระทมพูดไม่ถูกเลยเคยอยู่ด้วยกันเคยทำอะไรเคยรับใช้แต่จากนี้ไปมันไม่มีแล้วเงียบไปเลยเวลาคนเอาอาหารมาถวายท่านพุทธทาสมากันเต็มโต๊ะวิจิตพิสดารทำกันอย่างปราณีตสุดๆไม่รู้มาจากที่ไหนกันบ้าง เต็มไปหมดยกมาท่านก็ฉันชันชันไปแล้วท่านก็นอ่ะท้องเอาไปกินอย่าติดนะมันอร่อยหลวงพ่อสิงห์ทองก็าบอก ก, ก, ก็ไม่รู้ไม่ได้ตอบอะไรก็กินโอ้โหอร่อยจริงจรเนาะจนถึงวันนี้ท่านก็บอกว่าท่านเวลาท่านพูดนะโทษนะท่านก็ลูกทุ่งลุกทุ่งแล้วท่านก็จะไม่ติดอย่างไรมันอร่อยอย่างนี้<_ <k> _>เดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วครับพอท่านอาจารย์ไม่อยู่แค่วันเดียวนะท่านสมมติว่าท่านตายวันนี้ พอพรุ่งนี้ท่านสิงห์ทองก็ยังอยู่ที่ปุฏิเอา้าทำไมไม่มีอาหารมาล่ะแล้วเดินไปตามที่โรงครัวอาหารท่านอาจารย์น่ะกท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วจะส่งอาหารทําไมออาแล้วฉันน่ะก็ไปหากินเอาเองสิท่านท่านบอกเฮ้ <c oughs> จริงด้วยตลอดมาที่ผ่านมาได้กินอาหารที่ดีมา20กว่าปีเนี่ยมันไม่ใช่ของเท่ามันเป็นของท่านอาจารย์พุทธทาสเราลงนึกว่าเราได้กินของดี พอท่านไม่อยู่ปั๊บมันหายวับไปกับตาทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้ยท่านบอกว่าท่านเศร้ามากทุกมากปฏิบัตินั่งปฏิบัติพูดใหาติโยมฟังร้องไห้ท่านบอกโอ้ยทาไมจิตใจอ่อนแออย่างนี้ออกเดินธุดงคนเดียวออกจากเดินออกจากสวนโมกเลยขึ้นภาคเหนือเข้าไั ป, ป่าม่าออกลาวไป อ, อุบลราชธ า, านีเดินกลับมาสวนโมหกหเดือนกว่าตัวดำปี่เลยเพื่อจะสร้างอินทรีย์ให้แก่ เดินๆท่านบอกว่าขณะที่กำลังเดินเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันวิ่งแหม้วชนโค้มแล้วนอดกิ้งอยู่ข้างหลังท่านก็หันไปดูเอ้าเป็นอะไรอ่ะถ <c oughs> ามว่าเป็นอะไรคือมอเตอร์ไซค์นะชนท่าน <c oughs> แล้วมันกิ้งเลยท่านก็หันไปเอ้าเป็นอะไรอ่ะโยมเป็นอะไรเปล่าเจ็บป่ะที่มอไซค์เบี้ยวหมดท่านก็หันไปดูเอ้าแตติกน้ำโอ้ก็ติน้ำเบี้ยวเลยเว้ย ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอาจารย์มาจะได้ไปเอาก็ไปเลยเอาตกลงไอ้มอเตอร์ไซค์มันชนท่านนะท่านก็บอกเออแล้วทําไมเราไม่เป็นไรลนะ่ะทำไมมันชนมันต้ก็เด็นเลยอ่ะแต่ก็บอกว่าหลวงพ่อกับไม่อยากจะพูดเรื่องอิทธิฤทธิ์หรอกนะแต่มันก็คงมีอยู่บ้างแหละไม่งั้นเราก็คงกระเด็นเหมือนกัน <c oughs> แต่กลายเป็นกระเด็นอยู่คนเดียวเราไม่กระเด็นฝึกหนักเลยแต่หาทางออกไม่เจอ ท่านก็ <พอ S 1> รู้สึกว่ า, วาตายแล้วท่านอาจารย์ก็ไปอยู่แล้วถามครูบาอาจารย์ที่เป็นวิปัสนาจารย์พระสงฆ์ทั้งหมดที่เป็นวิปัสนาจารย์ไม่เคยได้คําตอบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านถึงเป็นอย่างนี้พอไปถามเขา้าบางองค์ก็บอกว่าเอา้าอุปทาท่านพุทธทาสจะมาลองภูมิกันไงเอา้าสวยเลยก็เลยคือท่านบอกว่าสวนโมกก็เหมือนกับตีตามอบเป็นลาบผากเลย ท่านอาจารย์พูธธ้จะทาท์คนใกล้ชิดโอ้โหก็นึกว่าเรารู้มากอย่างท่านอาจารย์ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยถามจนถึงวันจึงขอแล้วท่านก็กลับมากับท่านมากับพระทีมพระส่วนโมกเจ้าอาวาสสวนโม่าาโ ม, มานั่งฟังผมไม่อยู่สวนยินดีแต่ท่านมากั น, น <S <S เจอเบียรเบียเปิดอริยมรรคให้ดูพลรกบอกว่าไงรู้ไหม หลังจากมาเจอกันสนิทกันแล้วกูก็งงเหมือนกันนะไปเยี่ยมคารวะมันเปิดเทปคารวดสอนอรอยิยมรคให้กูดู <c oughs> <c oughs> กูก็ทนดูไปอย่างนั้นเจ้าวาดก็นั่งหลับบ้างอะไรบ้างแต่หลวงพ่อสิงห์ทองนั่งดูตลอดท่านนั่งดูทนดูอะทนดูทนไปทนมาเฮ้ยเฮ้ย นั่งดูเนี่ยหลังจากผมก็รีบกลับมาจากเชียงใหม่พอรู้ว่าท่านมากันไปเปิดคอร์อยู่ที่เชียงใหม่ก็รีบกลับเลยพอแวะไปเจอก็ท่านก็เลยบอกว่าแค่นั่งดูทางทีวีเนี่ยคิดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสเลยเห็นการแสดงธรรม คิดถึงเลยไม่มีใครพูดได้อย่างนี้ถ้าไม่เห็นเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันพักหนึ่งแต่ท่านมากับกลุ่มใหญ่มากับกลุ่มพระส่วนมากทั้งหมดท่านก็เลยกลับไปพร้อมกับคณะตอนเช้าหลังจากพักผมก็ส่งท่านเสร็จก็ อ, อีกสามชั่วโมงต่อมาหลวงพ่อสิงห์ทองนั่งรถคันเดิมกลับมาอีก คือสวนยินดีทะเล ก, กับสวนโมกเนี่ยห่างกันประมาณสองชั่วโมงท่านกลับไปแล้วท่านก็เลาให้ฟังว่าคือคือพออีกสี่ชั่วโมงกลับมาก็คือไปถึงปับ๊บแล้วก็กลับมาเลยพอคณะเข้าวัดเสร็ท่านแอบขึ้นรถแล้วก็กลับมาใหม่ผมก็เอา้าหลวงพ่อลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมหรอกท่านก็บอกไม่ได้ลืมหรอกแล้วมีอะไรว่าครับ นีม่มาแบบเขาไม่ได้นิมนต์ด้วยก็คือผมไม่รู้เรื่องนะ่ะนี่มาไม่ได้นิมนต์เลยอ่ะทังนั้นผมนิมนต์เลยหลวงพ่อมีอะไรอยากจะคุยด้วยอ้าวก็คุยกันแล้วมันยังไม่พอมันอยากจะคุยเรื่องส่วนตัวหน่อยอ้าวงั้นนิมนต์เลยนั่งคุยกันตั้งแต่สองโมงบ่ายสองโมงถึงตีสามเลยนะท่านบอกอาเทฟไว้ก็ได้นะอาดไว้แล้ว <_ t alan> เอาไปเผยแพร่ก็ได้นะครับหลวงพ่อไม่อายหรอกเพราะว่าท่านถามสิ่งที่ท่านปฏิบัติแลติดแล้วก็อธิบายท่านฟังก็พูดเรื่องอริยมรรคกันนี่แหละพูดเรื่องอริยมรรคกันจนท่านรู้แล้วว่าท่านพลาดตรงไหนเพราะท่านไปใช้สติสมาธินำ สังเกตไหมทุกสำนักท่านเข้าไปเนี่ยสอนแต่เรื่องสติกับสมาธิผมถึงบอกมาตลอดว่าคำสอนพระพุทธเจ้าหายไปครึ่งหนึ่งกลายเป็นกายก็คือต้นโพจิตคือกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดทูให้สะอาดอยู่เสมอทุกคนสอนแค่นี้ แล้วตันเลยท่านก็เอะใจทําไมท่านถึงเป็นอย่างนี้ถามมาทั้งล่าไม่มีใครตอบเลยผมบอกว่านิดเดียวครับท่านต้องเปลี่ยนเป็นเอาสัมมาทิฏฐินําเมื่อถึงจุดนี้มันจะส่งกลับไปที่สัมมาทิฏฐิแล้วจากนั้นจเจรเินสัมมาสังกัปปะแทน จะเห็นความจริงว่าผลมาจากเหตุแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาไม่เข้าไปทําอะไรอีกแล้วหมดการกระทําเข้าใจความจริงรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาเมื่อนั้นถึงจะพ้นไปก็ตอบท่านแค่เนี้ท่านก็เข้าใจหลังจากนั้นก็นิมนต์ท่านมาเรือ่องท่านจะยังไงก็อันนี้เราทําหน้าที่ถวายความรู้เฉย ตามที่เราพอรู้พอเห็นขึ้นมาบ้างใครฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรพอวันหนึ่งก็คงรู้เรื่องเองเอาละเรื่อง <c oughs> ไหนของที่คว่ำก็จริงๆก็มีไม่ใช่มีแต่เรื่องยากหรอก น, นะเรื่องที่หลายๆอย่างก็ลองไปหาฟังดูหรือไม่ก็ ดีวีดีหรืออะไรก็ได้มันแล้วแต่การเจริญภาวนาเนี่ย เราอยู่ในศีลในในในในเส้นทางแห่งอริยมรรคเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าไปทำอกุศลอะไรกายวาจาก็อยู่ในศีลในธรรมคือเห็นว่าการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนนาหาคือถ้าถ้าการนุ่งร้ยเบียดเบียนผู้อื่นนามาสร้าทุกข์กายวาจามันจะ จะบริสุทธิ์ขึ้นมาเองเป็นสัมมาเองการใช้ชีวิตจะเป็นสัมมาขึ้นมาเองเพราะยังการทำบาปทำชั่วที่จะทำให้จิตใจร้อนรุ่มเนี่ยจะไม่มีที่เหลือก็ก็ยังยังมีอยู่กุศลก็ยังมีบ้างแต่แม้แต่กุศลเองนะอย่างวันที่คุณหมอมารักษาผมเมื่อวานนี้ผมก็บอกหมอว่า คนที่มีความทุกข์เนี่ยผมจะแบ่งให้ดูเป็นสองส่วนส่วนแรกมาจากเป็นคนที่ทำทำผิดศีลอย่างเช่นการไปคอร์รัปชันก็ดีการไปทำอะไรอะไรที่มันผิดศีลก็ดีมันจะทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเรียกว่าวิปติสารอันนั้นเป็นความทุกข์จากการทำผิดศีล ซึ่งจะเป็นทุกข์ระทมแล้วก็ร้อนใจซึ่งทุกตัวนี้เนี่ยมันมาจากการทำผิดทำบาปทำชั่วแต่มันมีทุกข์อีกแบบหนึง่งอย่างเช่นแม่รักลูกสามีรักภรรยาคนเรารักครอบครัวแล้วพอเราสูญเสียคนที่เรารักไป หรือคนที่เรารักทำไม่ถูกใจเราเป็นทุกข์คนที่เรารักอย่างเช่นสมมติว่าคนเป็นแม่ลูก <c oughs> ไม่ได้ดั่งใจลูกไม่สบายหนักลูกเป็นมะเร็งลูกอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้แตกต่างจากความทุกข์ใจที่การทำผิดศีลความทุกข์นั้นมาจากวิปัสสนรคือการทาผิดทำบาปทำชั่ว แต่แม่ที่รักลูกห่วงใยลูกแต่มีความทุกข์เพราะลูกอันนี้เป็นความทุกข์บนพื้นฐานของความรักแต่ด้วยความไม่รู้ไปผูกพันทางใจความรักจริงๆดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ด้วยรักและผูกพันนี่แหละจึงก่อให้เกิด ความจริงแม่คนนั้นดูแลลูกเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่พอมีความผูกพันทางใจเข้าไปด้วยคืออุปท า, า น, นที่เป็นความผูกพันเข้าไปคือไม่ใช่อุปท า, านขันอุปท า, านขันนี่แหละเป็นตัวเหตุแต่ถ้าเราพูดภาษาธรรมดาก็คือพ่อไปผูกพันกับลูกเนี่ยจึงทำให้แม่คนนั้นเป็นทุกข์แต่ทันทีที่แม่เกิดความรู้ขึ้นมา ที่แท้จริงเกิดสมมาทิฐิที่แท้จริงปล่อยความยึดถือนั้นทุกจะหายทันทีแล้วแม่ก็ทำเหมือนเดิมด้วยเห็นไหมว่ามันต่างกันทุกในคนที่ทำผิดติดคุกติดตารางหรือว่าไปโดนทำทันอะไรลงทันอะไรแล้วก็แล้วแต่ทุกจะอยู่ติดตัวเขาแต่ทุกที่เกิดจากฐานของความรัก จริงๆนะดูเหมือนกับว่าเป็นพรมวิหารด้วยซ้าแต่เมตตาของแม่เนี่ยก่อความเป็นตัวตนคือมีตัวตนในเมตตาเพราะความไม่รู้จะเรียกว่าโง่เดี๋ยวก็กลายเป็นอีกคำานึ่งอีกดังนั้นพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้ทำบาปทาชั่วแล้วทำไมยังทุกข์อยู่เพราะความไม่รู้นี่แหละแต่ทันทีที่รู้แจ้งขึ้นมามันจะหายทันทีแล้วสลัดหลุดได้เลย ดังนั้นอย่าทําผิดทําบาปทําชั่วเพราะการที่ร้อนใจอย่างนั้นเนะี่ยนรกเป็นที่หมายแน่นอนอย่านึกนว่าคนทําผิดนี้ไปอยู่เมืองนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหัวทำไมเขามีชีวิตที่สุขสบายขอโทษกายกับใจเนี่ยหนีไม่ได้ไม่มีนะไม่ระทมอยู่คนเดียวเมื่อไหร่จิตตกค้วบเลยไอแสดงออกก็แสดงไปเถอะเหมือนเรานะ่ะ ถ้าเวลาสมมติว่าเราเกิดความทุกข์เนี่ยลองปั้นหน้าหลอกคนอื่นไปท่านทําได้แค่ออกแป๊บๆหลังจากนั้นความที่ฐานจิตมันลงไปต่ํามากแล้วเนี่ยวิธีสังเกตว่าฐานจิตของใครเป็นยังไงเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะให้ดูตอนที่เขาเผลอแล้วก็เหม่อตอนไหนที่เขาเผลอเหม่อเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยเราลองสังเกตดู ถ้านั่งรู้เลยว่าฐานจิตเนี่ยอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานล่ะถ้าเป็นคนนั่งจมอมทุกเนี่ยไปล่ะคือฐานจิตไม่ใช่มนุษย์ละถ้าเต็มไปด้วยความกระฟัดกระเฟียดหุดหิดลาคาญนั่งชิบเป็งไอ้นี่เตรียมไปไม่สัตว์นรกก็อยู่แถวแถวเดรัจฉานเพราะฉะนั้นลองดูตอนคนที่เผลอเผืเอเหมือ จะเห็นฐานจิตจริงๆแต่คนที่เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฐานจิตเนี่ยสูงมากคือเผลอยังไงก็ไม่ลงเนี่ยพวกนี้ภาวนามาหลายภพหลายชาติเรียกอินทรีย์แกแล้วคือเผลอยังไงก็ไม่มีนั่งจมอมทุกข์นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นภาวนาจะถึงจุดเนี่ยแล้วมันจะรับประกันตัวเองได้ ผมนั่งเครื่องบินไปเปิดคอร์สที่ฮอลแลนด์ขณะที่เครื่องลงที่แฟรงก์เฟิร์ตเดินออกมาจากเครื่องสักแป๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไทยเดินตามแล้วก็เดินสาวเท้าเข้ามาหาผมข้างๆแล้วหันมามองหน้าเออาจารย์อะไรสักอย่าง <c oughs> ผมบอกประเสริฐมั้ง <c oughs> โอ้เออใช่อาจารย์ประเสริญนี่แหละเอ้าอาจารย์มาเครื่องลํานี้เหรอคงใช่มั้งก็เดินมาด้วยกันเนี่ยออาจารย์มาเครื่องลานี้เหรอองไปรู้ก่อนไม่งั้นจะเข้ามาถามพอดีโอ้โหโชคดีจริงที่ไม่รู้ถ้ารู้คงต้องพูดมาตลอดสิบกว่าชั่วโมงแน่เลยนะแล้วมันหนีไม่ได้ด้วยดมันอยู่ในเครื่องอะจะหนีไปไหนทีเนี้ย แล้วทุกคนก็จะขุดทุกอย่างที่ตัวเองอยากรู้กันมาถามหมดเอาละโชคดีแะที่ไม่ได้เจอกันจะได้พักบ้างข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งไกลเธอก็บอกว่าเมื่อกี้นั่งเครื่องมาเนี่ยกลัวเครื่องตกนะจาือถ้ารู้ก่อนว่าจายนานั่งนี่อยากจะมาถามผมบอกแล้วอยากถามอะไรนะคนเรามันจะเตรียมตัวตายยังไง เตรียมตัวตายผมก็บอกว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยง่ายมากง่ายมากมากข้อแรกเลยอย่าทำผิดศีล <c oughs> คือผมรู้ละมันไม่ตรงกับสิ่งที่เธออยากได้ยินอย่าทำผิดศีลใช้ชีวิตอยู่ในศีลในธรรม เอาแบบที่กำลังจะตายอ่ะททำไงตอนกำลังจะตายอคือถ้าคุณไม่ทำผิดศีลแล้วคุณอยู่ในศีลในธรรมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณเดินผ่านเครื่องสแกนคุณเคยรู้สึกกลัวไหมว่าเขาจะจับได้ว่า เราขนอะไรมามถ้ากลัวอะไรก็จะไม่ได้ขนอะไรใช่ถ้าคุณไม่ได้ขนอะไรมาคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยสมมุติว่าถ้ามีคนค้ายาขนอะไรมาตอนจะเข้าเครื่องสแกนเน่ะคุณว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้น คงมีพิรุธมั้งนั่นนี่ในใจขึ้นมาแล้วทำไมคุณไม่มีอ๋อกว่าฉันไม่ได้ขนยาแล้วคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่ได้ทำผิดศีลคุณจะเป็นอาการที่คุณไม่มีพิรุธแต่ถ้าคุณทำผิดมันจะเกิดระลึกขึ้นมาก่อนตาย ถามเรื่องเตรียมตัวตายไม่ใช่หรอไม่ต้องไปเตรียมหรอกเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะตายตอนไหนเอาเป็นว่าใช้ชีวิตอย่าทําผิดละกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกไปเข้าต่อหมอเพราะคุณเดินผ่านเครื่องสะแกนคุณเคยกลัวไหมล่ะไม่กลัวอะไรอาจารย์ก็ถูกแล้วพอลองขวนอะไรสักอย่างดิ ผมไปบรรยายอย่างเงี้ยที่คอนแลนด์ผมย้อนถามถ้าคุณเดินผ่านเครื่องสแกนคุณจะกลัวอะไรอ่ะทุกคนทำท่าแบบเงียบกันหมดเลยผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยอะไรวะคุณกลัวอะไรอะทุกคนบอกว่ากลัวทุกคนเฮ้ยอะไรเหรอพวกเราเนี่ยขนกัะปีน้ำลากุ้งแห้งแล้ว ถ้าโดนจับได้เนี่ยมันโดนโทษหนักมากนะอาจารย์อ๋อคือเขาเรียกว่าถามไม่ดูคาราเทสาเลย <c ười> คือผิดที่จริงๆหลังจากนั้นตอนเราคนพูดเรื่องอการเข้าตอมอ ด, ด้วยคือดึงผมออกไปนอกเรื่องเลย <c ười> จากกำลังบรรยายเนี่ยดึงเป๋ออกไปไกลเลย ผมบอกว่าปกติผมบรรยายที่ไหนเนี่ยนะไม่มีใครดึงผมออกได้หรอกนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่โดนผมเนี่ยโดนลากคนทั้งกลุ่มเนี่ยช่วยกันพูดแล้วผมถูรูปถูกกังเหมือนกับตกเวทีลากกันเข้าไปเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่ฮอน แ, แลนด์เขาไม่ให้นําเข้าแล้วเวลาโดนนั้นโอ้โหมันกลายเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาเลยเลยพอเขาพูดกันจบผมก็เลยคําเลยก็ปิดการบรรยายเลย <c oughs> งผมพลาดท่าไปซะแล้วโยนคำถามผิดถึงตายกันไปเลยเอาละทีนี้แล้วเตรียมตัวตายออกไปแล้วทีนี้ถ้ามันกำลังจะตายเนี่ยรู้ตัวแล้วมันจะตา ย, ยจะทำยังไงทีนีนอ้อ่านอะไรเนี่ย จเจริญอาณาปานาสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตราหุลเธอจงจเจริญอาณาปานาสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานาสติที่บุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ราหุล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 ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นราหุลอานาปา น, นสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ราหุลเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากซึ่งอานาปา น, นสติอย่างนี้แล้วลมอัดสาสะคือลมหายใจเข้า ปัสาสะคือลมหายใจออกอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้เอาละเราลองมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งถ้าให้ท่านฟังแค่นี้เนี่ยท่านก็คงฟังแบบล่องร่อง ล, อ, งลอยๆกดลงไปไม่ถึงที่ พระสูตรนี้พู้เจ้าตรัสกับราหุลซึ่งเราก็คงรู้จักราหุลกันนะก็คือวันที่ท่านออกจากวังไปบวชราหุลก็คือลูกน้อยที่เพิ่งคลอดตอนนั้นเรื่องราวก็คือว่าหลังจากท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะราหุลคูมานก็โตขึ้นพอสมควรแล้วเจดขวบหรือแปดขวบอะไรเนะี่ย พระนางพิมพาก็จึงให้ไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อไปทูลขอพระราชสมบัติจะได้ขึ้นครองที่ไหนได้ราหุนไปผู้เจ้าตัดไม่กี่คำเองเนะออกบวชเป็นสัมเนนองค์แรกในพุทธศาสนาเลยสุดท้ายก็มาจนถึงพระสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสกับราหุนแต่นี่ผมก็ไม่ทราบหรอกพระสูตรนี้ ลาหุนเป็นพระลาหุนหรือยังท่านก็บอกว่า <c oughs> ทั้งหมดก็คืออาณาปณสติสูตรคงไม่พูดอะไรเยอะละเพราะว่าอันนีเ้เขาตัดมาแค่นี้ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะอาณาปณสติทั้งหมดเลย <c oughs> จเจริญทำให้มากมาถึงบทสรุปเลยเมื่อบุคคลจเจริญกระทำให้มากซึ่งอาณาปณสติอย่างนี้แล้ว ไม่ใช่แค่ทำแต่ตอนก่อนตายนะต้องเข้าใจนะกระทำให้มากแล้วนะหมายถึงตลอดชีวิตนะท่านที่ผมบอกว่ารู้ลมรู้ล ม, หมเห็นการดับเห็นการเกิดเห็นอารมณ์เมื่อกี้ดับไปเกิดเป็นอุเบกขาอารมณ์เมื่อกลับมารู้ล ม, หมเห็นการเกิดการดับเห็นเหตุ ด, ดับผลดับเหตุดับผลดับผลมีผูะมีเหตนะุเห็นกันอยู่ตรงนี้ จนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้าย <c oughs> ลมอัดสาสะคือลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายหลายครั้งผมก็ชอบให้ท่านคิดเล่นท่านว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกที่แต่ละคนก่อนตายจะมีเป็นครั้งสุดท้ายลอง้วยความจริงดูลองหายใจดูจริงๆจะได้รู้ความจริง อันนี้เหมือนกับต้องใช้แรงดึงเข้าไปถูกไม่มสมมติเราตายเนี่ยมันคือแล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันก็จะจบไปถ้าเราคิดเราเองเราก็จะบอกว่าครั้งสุดท้ายมังทางนั้นแล้วก็เฮือแล้วก็ตายเลยก็ไม่มีดึงเข้าอีกหรือว่าอย่างนี้คือปืด้ดปื้ดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตายแล้วถึงปล่อยอาจจะ ขณะที่กำลังอื้อแล้วตายอย่างเงี้ยมันก็ตอนปล่อยมาเนี่ยมันตายแล้วก็แสดงว่าลมหายใจเข้านะ่ะครั้งสุดท้ายไอ้ที่ปล่อยเนี่ยตายไปแล้วนะอ๋แล้วท่านจะเลือกครั้งเอาอันไหนดีอา <c oughs> <c oughs> จารย์ <c oughs> อย่าพูดงั้นเดย์นะ <c oughs> <c oughs> ท่านตายแน่ถูกไหม จริงรอ่ะจริงเนี่ยเห็นไหมแล้วพร้อมไหมอย่างถ้าจะตายคืนเนี่ยอาตรงๆเลยเ ห, เห็นไหมผมเคยนั่งฟังถามพระอาจารย์รูปหนึ่งถามว่าพร้อมล้วอย่างที่จะไปตามนัด ทุกคนมีนัดกับความตายพร้อมหรือยังที่จะไปตามนัดวันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่เหมือนท่านอย่างเนี้ยข้างในนี่มันเถียงโครมทันทีสวนทันควั น, นในใจผมเนี่ยยังเสร็จแล้วพอผมพูดว่ายังเนี่ยข้างในผมถามต่อเลยเฮ้ยเราตายแน่นี่ว่าแล้วมาอะไรจะพร้อมเนี่ย คำถามเนี่ยที่ถามตัวเองถ้าบอกว่ายังเนี่ยข้างในมันพูดต่อเลยเราตายแน่นะไม่ใช่ไม่แน่แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมเออเมื่อไหร่จะพร้อมถ้าวันนี้ต้องถามตัวเอง ซึ่งก็ถามตัวเองมาตลอดตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินนั่งรถ ล, ลงเรือไปไหนไม่ต้องถามเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้จะเอาแบบไหนก็ได้ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วคิดว่าจะถึงปลายทางเลยขณะที่เครื่องบินกําลังขึ้นผมก็ จำลองการที่เครื่องบินมันตกตอนนี้เครื่องบินกาลังลงผมว่าอนนี้มันลงแล้วไม่ต่างกันเลยกับการที่เดี๋ยวกระแทกพื้นกับอ้าวมันลงได้เว้ยลงได้ก็ลงเว้ยถ้าลงไม่ได้ก็ปังเข้าไปใครไปกับผมผมบ อ, อกไม่ต้องเป็นกลัวหรอกไม่ทันเจ็บคือมันเจ็บไม่ทันเพราะตอนที่กายมันแตกทำลายมันพักเดียว ภาคเดียวกายมันแตกทําลายเลยทีนี้จิตนี่แถ้ามันไม่ปล่อยนี่จะไปยึดกายว่าโอ๊ยสีนจะสวยเลยแตนหาเกิดที่ตรงนั้นวินาทีนั้นเป็นเหตุเกิดเลยเหตุเกิดเลยผักดันให้เกิดต่อเลยเพราะฉะนั้นคนที่กรีดวีดไว้แล้วก็ดังถ้าสมมติเครื่องบินตกจริงท่านว่าในเครื่องมันจะดังไหมดังทั้งกรีททั้งวีดทั้งสนันวันไว้น่ะ ท่านยังนั่งอย่างที่ผมบอกว่าจิตอยู่ที่ฐานกระทบมาก็ผ่านมาผ่านจังเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนะสุขติภูมิหวังได้เลยสุขติภูมิหวังได้แต่เอาละมาดูคําพระเจ้าดีกว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าจะมีครั้งสุดท้ายจะยังไงก็แดดไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่งั้นพระองค์คงจะบอกแล้วว่าลมหายใจอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแต่นี่ท่านพูดทั้งสองแสดงว่าอะไรก็ได้ อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นเอาละขณะที่ท่านกำลังจะตายท่านจะเดินอานาพันสติอยู่มีสติอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ใช่แค่นี้อาณาพันสติท่านบอกแล้วทำมานานมากตั้งมั่นต้องตั้งมั่นเห็นความจริงเพราะวินาทีที่ ที่ท่านบอกว่าอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปมาดูวินาทีก่อนตายของทุกคนพอดีวันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเปิดอะไรให้ท่านดูเพราะนี่มันดึกมากอะ่ะเอาไว้ท่านไปหาดูเองพอตอนที่กายนี้กําลังจะแตกทําลายเนี่ยผมจะจําลองการตายให้ท่านได้เห็นเลยวันหนึ่งท่านจะได้ไม่ต้องสนุหว่าเสียว วันที่เกิดกับเราเพราะต้องเกิดทุกคนวินาทีที่คนเรากำลังจะตายความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปเนี่ยจะค่อยๆดับหายไปตาจะเริ่มไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสความรู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะลงมาจะค่อยๆหายไปในขณะเดียวกันความรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้าจะค่อยๆหายไปเช่นกัน แล้วมันจะหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งมาจนถึงตรงนี้แล้วดับตรงนี้คือกายแตกทําลายแล้วดินน้ําลงไฟที่เราได้ยินดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมเนี่ยดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟหลงอะไรไปก่อนลง จากนั้นตัวจะยังอุ่นอยู่แป๊บหนึ่งลมดับไฟดับเหลือดินกับน้ําทีนี้ท่านว่าตายแล้วเนี่ยดินกับน้ํายังเปลี่ยนแปลงไหมเป็นอนิจจังไหมเปลี่ยนแปลงค่อยๆแยกออกจากกันถูกไหมน้ําเหลืองไหลออกกายค่อยๆเละลงเละลงท่านนึกภาพหมาที่ถูกชน บนถนนถ้าเราผ่านทุกวันทุกวันมันถูกชนทางกลับบ้านมันค่อยๆพองพองพองพองพองแล้วมันก็แตกแตกแตกมันก็ไหลไหลไหลแล้วแล้ววันนึงมันหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้หายไปไหนมันก็กลายเป็นดินเป็นฝุน่นแล้วเราก็หายใจเข้าไปไงแล้วก็เอาหายใจเอาศกหมาเข้าไปศกหมาก็ไปสร้างเลือดสร้างเนื้อสร้างกระดูกเรามันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอิทัิปัจจิตา ทีนี้เมื่อกายหมดความรู้สึกลงจิตที่ไม่เคยถูกฝึกนึกภาพออกไหมเอาแค่ไม่ต้องมากแค่ตาไม่เห็นรูปเนี่ยตกใจไหมถ้าตอนนี้อยู่ๆนั่งแล้วตาบอดตกใจไหมละ่ะตกใจทำไมฉันมองไม่เห็นเนี่ยตกใจมีใครนั่งดูตัวเองค่อยๆบอดบอดบอดสนิท จากนั้นหูจะก็ค่อยเงียบเงียบเงียบแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรกเลยจมูกไม่ได้กลิ่นเลยคือคนที่กาลังยืนอยู่ท่านไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วเอาละทีนี้อยู่ในโลกมืดละท่านคิดว่าจะสติแตกไหมถ้าคนไม่ได้ถูกฝึกตอนนี้จะกระสับกระส่ายเป็นที่สุดนะ่ะปัญหาจะเข้าบีบคั้นเลยฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายแต่เราพูดได้แต่ข้างในฉันไม่อยากตายทีนี้ยุ่งละ เพราะอยากกับไม่อยากในใจไม่เกี่ยวกับความจริงที่กําลังเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับรวยจนไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่เลยถ้าไม่เคยทํามรณสติเอาไว้บ้างพระเจ้าจึงบอกพระอานนท์ว่าเธอจงทํามรณะสติเอาไว้ถามพระอานนท์ว่าเธอทํามรณสติวันละกี่ครั้งพระอานนท์ก็ทูลตอบไป น, น้อยเกินไปอานนท์ทศฐาคตอยู่กับมรณสติ ทุกขณะจิตคนที่ทำมรณสติท่านจะบอกเลยว่าอานิสง์แห่งการทำมรณสติคือเมื่อเวลาแห่งการทำกาละมาถึงเมื่อกายแตกทำลายลงเขาจะไม่สะดุ้งหวาดเสียวแต่ถ้าใครเฮ้ยอย่าพูดเรื่องตายเรื่องอปมงคลพวกนี้เนี่ยระวังให้ดี แม้แต่ได้ยินมันยังกลัวเลยผมได่คุยกับคุณแม่อินดีนะแม่ไม่ต้องไปกังวลหรอกเดี๋ยวก็ตายจะไปอะไรจะมันจะเป็นนี้ก็เป็นอย่างนี้นะมันจะดีขึ้นหรือมันไปดีขึ้นหรือมันตายตอนเนี้ยแม่ยังมองเห็นยังขยับได้อยู่ข้างหนึ่งอีกข้างขยับไม่ได้แล้วสะตกสงครามยังไม่จบนะแม่ มันจะแย่ลงแย่ลงไปกายเนี่ยจนกระทั่งเราอาจจะนอนเป็นผักไปอีกสิบปีอยู่ในโลกมืดสิบปีขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องถึงจุดที่ฝึกจนกระทั่งอะไรจะเกิดก็เกิดเรื่องของกายไปทำอะไรทิ้งไปเลยสนใจอะไรมันจะไม่ขยับก็ไม่ขยับขยับไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่เฉยก็เท่ากันเนี่ย จะไปเดือดร้อนอะไรกับมันจิตว่างกายว่างเวทนาว่างแล้วก็ว่างหมดจะไปอะไรกับมันเอาละนอกเรื่องไปหน่อยกลับมาที่เดิมขณะที่กําลังสะดุ้งหวาดเสียวตกใจกับการเกิดขึ้นอันนั้นทุกขติภูมิเป็นอันหวังได้น่ากลัวนะแต่คนที่ฝึกมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมจะบอกให้เลยถ้าจากนี้ต่อไปวันนี้นะท่านฝึกอย่างที่บอก คือเห็นความเคลื่อนไหวใจสงบ ก, กายเคลื่อนไหวใจสงบมีการกระทบใจสงบอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในเส้นทางแห่งอริยมรรควันที่ตายสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลมหายใจกาลังดับลงขณะที่กาลังรู้ลมเนี่ยจะเห็นว่าลมดับทันทีถูกไหมกำลังรู้ลมหายใจแต่ลมดับหายแล้วการที่ไม่ได้ยินไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ย จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจแต่ขณะที่ลมหายใจดับเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยด้วยความที่ฝึกมานานเนี่ยจะเห็นทันทีดเลยว่ากายนี้หรือเอาที่ลมหายใจนี้ก็ได้เป็นอ น, นิจจังไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้นึกจะดับก็ดับเลยเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ได้สะเทือนสะทานสั่นไหวเลยจะปล่อยจะปล่อยกายที่มีแต่ จะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีการสะดุ้งหวาดเสียวนะเห็นแต่ว่าการบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าใครถึงตรงนี้อนาคามีเป็นอันหวังได้โอ้โห oh. จากนั้นจะเหลืออีกสองขณะจิตเพราะธรรมชาติของรูปนามเนี่ยรูปจะไปก่อนนามจะดับตาม อีกสองขณะจิตที่จิตกําลังจะดับด้วยความที่การรับรู้ทั้งหมดเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่ของเรามันจะทิ้งที่กายจากนั้นจะเห็นเลยว่าจิตที่อาจจะสมมติว่ามีการขยับมีตันหาที่จะเข้าไปยึดเนี่ยจะเห็นเลยว่าการที่ไปยึดจิตอจิตที่เข้าไปยึดเนี่ยตัวเองเนี่ย ปล่อยกายแล้วนะเหลือจิตที่ยึดตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์วินาทีนั้นถ้าเขาสามารถปล่อยความเห็นผิดนี้ได้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่ได้มีตัวตนเลยเขาจะถึงความเป็นพระอราหันต์เลยเพราะฉะนั้นอาณาปานสติอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายาเมื่อจะดับจิตท่านจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไป จะไม่มีตันหาดันให้เกิดเหตุเกิดอีกท่านพุทธทาสเรียกสภาพนี้ว่าชีวิตะสมะศีสีคือตกกระไดพลอยโจรเข้าถึงความเป็นพระรหั์ในวินาทีก่อนตายนั้นเลยซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันภิกษุรูปหนึ่งภาวนาอยู่ในป่าแล้วก็โดนเสือกิน ขณะที่เสือกำลังเคี้ยวบทร่างกายกำลังจะแตกละเอียดแบบเดียวกันพิสูรรูปนั้นไม่ได้สะทกสะทานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเวทนาไม่ใช่ตัวตนเห็นหมดเลยกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ตัวตนจิตไม่ใช่เราวินาทีที่กำลังจะขาดใจตายจากเสือขย้ำครั้งสุดท้ายวางพลุ่งเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เลย นฝึกไปเถอะถึงตอนหนึ่งก็อะไรก็ได้ยังไงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แบบไหนก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งอะไรเป็นปัญหาเลยทำหน้าที่ไปเรื่อยๆตายเสียก่อนตายนะ เอาละนะสำหรับคืนนี้ก็น่าจะพอสมควรนะนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยหลักสูตรนี้ก็เคยไม่ได้ให้เขียนคำถามมาตอบอะไรเพราะเวลามันสั้นมากๆนะแต่ก็ถือว่าได้ฝากอะไรเอาไว้เป็นข้อคิดข้อปฏิบัติสำหรับท่านนะไปละความเคยชินที่จะทำให้เกิดกิเลสที่จะทำให้เกิดโลภะโทสะโมหนะอยู่ในศีลในธรรมละ เราชีวิตที่เหลือก็จะจะมีคุณค่าจะมีคุณค่าการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังธรรมแล้วอันเป็นธรรมที่พาสู่ความหลุดพ้นแล้วนะที่เหลือก็ต้องไปทำต่ออพ่งนี้ก็ยังมีเวลาเจอกันอีกรอบเนี่ยเชิญไปพัก โยก ท, ทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ค่ะเด็กจะมอบเลยไหมจะภาพอยู่ไหมงั้นเดี๋ยวก่อนเราแยกนะคะขอเชิญท่านเจ้าภาพคอสนะคะรับมอบพระประธานเป็นพระคริสต์ซนจากส่วนยินดีทะเลนะคะเป็นรูปของพระประธานที่ส่วนยินดีทะเลเชิญน้องจูนนะคะนี่ยครับประธานที่ส่วนยินดีทะเลองค์นี้ยเสร็จแล้วยิงเลเซอร์เข้าไปที่ก้อนคริสตัลก้อนนี้ เพื่อให้กับผู้มีอุปการะคุณนะทั้งกับสวนยินดีทะเลเกาะพะเวยหรือแม้แต่ท่านที่เป็นเจ้าภาพคอสปฏิบัติถ้าไม่มีเจ้าภาพท่านลองนึกภาพดูวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะสิ่งที่ท่านได้ยินทัน้งกได้ฟังทั้งหมดจะหายไปดีลีทิ้งไปได้เลยแล้วก็ท่านก็กลับไปใช้ชีวิตไปตามห้างเหมือนเดิมนะสาร์อาทิตย์แต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนครั้งใหญ่ก็ได้นะ เอาละก็ขออนุโมทนานะครับเจ้าภาพหนักนะเดี๋ยวค่อยมาใส่กล่องออกไปแล้วกันนะรับมอบเลยค่ะทุกท่านโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุวางตรงนี้กัก็ได้หนักกันหนัอาอาลังสัมมาคนะ่ะเ๋วเราเตรียมกลับรัตนาใจอาลังส ม, มาพ ร, ร้อมกันค่ะ อาระหังสัมมาสัมพุทธะพระเขาวะพุทธังพะเขวันตังอาภิวาเทนสวากาโตพะเขวต a ธรมโอทัมมันามัสานี สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขามามีบางท่านก็ยังนึกไม่ออกนะว่าทำไมต้องมีเจ้าภาพในเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงก็จ่ายค่าห้องค่าอาหารกันอยู่แล้วนึกดูดีๆใหมนะ่ท่านมาท่านจ่ายค่าห้องค่าอาหารให้ใครครับ สวนธรรมศรีปฐุมนะการมาเปิดคอค่าจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะทีมงานหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยรวมถึงค่าเดินทางที่ผมมาจากใต้เดินทางกลับค่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเงินนะถ้าไม่มีเจ้าภาพถ้าไม่มีเจ้าภาพผมบอกเบียร์ไปแล้วทีมงานให้ยุบคอสนั้นทิ้ง ถ้าไม่มีคนเห็นความสำคัญไม่ใช่เราต้องมาทำอะไรถ้าไม่มีคนเห็นความสำคัญก็เลิกไปเลยเลิกไปเลยเราออกไปในตารางถ้าไม่มีเจ้าภาพให้ยุกทิ้งไปทีละคอสเลยถือว่าเราทาหน้าที่แล้วแต่เพราะมีเจ้าภาพคอสก็ ย, ยังมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปเรื่อยเราแค่จ่าย ซึ่งผมก็เขาก็ดีแล้วเนี่ยเขาสร้างสถานธรรมไม่งั้นเราก็ไม่ไม่มีที่เหมือนกันไม่มีที่เหมือนกันจะได้เข้าใจว่าอ๋อเจ้าภาพทําให้เกิดนี้เพราะไม่งั้นถ้าท่านเอาแต่จ่ายทางนู้นหกไม่ต้องมาจ่ายให้ผมนะหมายถึงว่าเอาจ่ายค่าห้องค่าอาหารเนี่ยท่านมาอยู่มาพักมากินได้แต่ไม่มีผมอนะเชิญ